ท่านฟังที่ครับค่ะท่านกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่เราให้ท่านได้เสรธรรมคือพุทธวจนะของพระาศาสดาในหลายๆรูปแบบนะคะที่ผ่านไปก็เป็นการชวนให้ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันตามคําสอนของพระาศาสดาโดยพระมาชาคาวโรเป็นผู้นําเสร็จแล้วท่านก็อ่านพุทธวจนะนะคะซึ่งท่านเนี่ยจะบอกว่าเป็นท้ายคำอัญจักสิทธิ์เพราะว่าเมื่อปฏิบัติตามแล้วเราก็จะเห็นผล อย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติตามจริงๆนัก็คือคําของพระาศาสดาพระอาหารหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าของเราค่ะส่วนอีกช่วงเวลาหนึ่งที่กําลังจะได้ไปพบนี้ก็เป็นการได้พูดในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ในลักษณ ะ, ะมีคําถามอะไรก็ใช้พู้ทวจนะของพระพุทธองค์ตอบเราเรียกว่าเป็นเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนะพบกับพระไปบุญอภิพุรโฌจากวัดป่าดอนหายสงอุดรธา น, นีค่ะกลับนัสกสการกันทั้งคะ่ะเจนพาน ในการปฏิบัติธรรมที่เราพูดถึงว่าหลังจากที่เราปฏิบัติด้วยโพชฌงค์ใช่ไหมที่เมื่อวานเราได้คุยถึงเรื่องโพชฌงค์นะคุณโยมติ๋วค <c oughs> อันนี้ามาต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าคือไม่ใช่ว่าเราจะไปกะเกณฑ์ว่าวันนี้ฉันจะทําปัิสติสัมโพชฌงค์นะเพราะเมื่อวานนี่ทํา <c oughs> อุเบกขาสัมโพชฌงค์มาแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะทํำปีติสัมโพชฌงค์ต่อไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ด, ดิฉันเข้าใจว่าต้องมีคนเข้าใจอย่างนั้นนะ <c oughs> ก็เลยต้องมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมน ะ, ะเพราะว่ากระบวนการที่พี่เจ้าได้อธิบายมาเนี่ยที่ท่านมาอ่านให้ฟังเนี่ยนะไล่มาตั้งแต่ลมหายใจใช่ไหมไล่มาตัา้งแต่สติปัฏฐาน4จนถึงโพชฌงเจตแล้วก็ยังไปถึงวิชาวิมุตตเนี่ยกระบวนการนี้คือเหมือนกับเราแยกแยะให้ดูว่าไอ้ส่วนประกอบของ อ า, อาหารจานหนึ่งที่มันอร่อยๆเนี่ยมันทํามาจากอะไรในค<ห>ือนี้เรากําลังจะต้องการเข้าถึงธรรมะนะธรรมะที่เป็นรสชาติที่แหมลึกซึ้งมากและธรรมะที่รสชาติลึกซึ้งนี่เป็นยังไงอ้าวแพ่มาดูมี ส, ส่วนผสมอย่างนี้มีขั้นตอนการทําอย่างนี้ s <S แต่เวลาเรากินข้าวอุวยมติ้วเ ร, เราไม่ได้กินอย่างสมมุติเราจะกินข้าวผัดอย่างนี้ น, นะเราไม่ได้กินข้าวเปล่าเข้าไปก่อนแล้วก็ไปดื่มซีอิ hadi, ๊วตามเข้าไปแล้วก็เอาหมูกินเข้าไปแล้วก็ไปเ ข, ขย่าเขย่าในท้องมันไม่ใช่อย่างนั้ น, <ห>นคือเรา เราผัดให้เรียบร้อยก่อนเราจึงกินเข้าไปทีเดียวนะเราตักมาช้อนหนึ่งอย่างเงี้ยก็มีทั้งข้าวทั้งหมูทั้งอะไรแตงกวาแรงต่างนะส่วนผสมส่วนประกอบซอสน้าจิ้มอะไรก็อยู่ในนั้นหมดนะรวมทั้งพริกน้ำปลาด้วยนะกินเข้าไปแล้วมันก็เอออร่อยดีนะเช่นเดียวกันเวลาเราทำอ่ะอย่างที่พุทธเจ้าบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางหรือว่าให้ให้ให้ทิ้งให้ทิ้งให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรา แม่มันจะเห็นได้อย่างไงแมมมันก็ยังเป็นของเราเราเรารู้สึกนี้นะแขนก็ยังเป็นของเราขาอยังเป็นของเราตา็ยังเป็นของเราเอ๊ะมันจะไม่เป็นของเราได้ยังไงนะเพราะว่าเราเรายังไม่ถึงตรงนั้นไงมันยังมีขั้นตอนหนึ่งก่อนไงนะคือก็คือการที่เราต้องเห็นว่ามันเป็นโทษอยู่บ่อยๆอย่างร่างกายเนี้ยเราเห็นความมันได้เป็นเป็นของโสโครกสโครกน่าเกลียดเราไม่สีฟันดูสักสามสวันดู เราไม่อาบน้ำสัก2อสมวันไม่ต้องสองสามันเอาแค่สักวันหนึ่งก็ได้แล้วเราจะเห็นว่ามันสกปรกโศโรคหน้าเกลียดหน้าขยะขยงั้นี่คือเห็นโทษของเขาถ้าเราเห็นทั้งประโยชน์เห็นทั้งโทษเห็นทั้งวิธีแก้เหตุเกิดความดับไม่เหลือเนี่ยก็ชื่อว่ารอบรู้เรื่องสิ่งนั้นละ่ะแต่พอเราทําไปทําไ ป, ไปเนี่ยคุณยมติ๋วเฮ้ยเดี๋ยวปีติสัมโพชงเกิดแล้วทำอย่างนี้ไปเห็นกายของเราไปบ้างเห็นจิตเราไปบ้างมีสติบ้างเฮ้ยเดี๋ยวอุเบกขาสัมโพชงเกิด เราทำไปทำไปอาจจะมีสติสัมปช ong เกิดมันจะค่อยๆหมากมันเอง mm. นะเป็นไปตาม อ, อินทรีย์อย่างที่เราได้คุยไว้ว่าเามันก็อยู่นอินทรีย์ของคุณน ะ, ะแก่หรือออนหรือว่ามีกําลังขนาดไหนนะกระบวนการนี้ก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปน ะ, ะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคืออาจรพยายามจะยกพระสูตรที่มาเกี่ยวข้องอะนะเพราะาช่วงเวลาของท่านมานี่จำกัดจะยกพระสูตรได้ไม่หมดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับน้ํา ที่มันไหลลงไปทะเลเนี่ยฝนะนมันตกที่บนภูเขาฝนะนตกบนภูเขาตกตกตกมาก็ทำซอกซอกหนองคลองบึงต่างๆให้เต็มนะบึงน้อยๆเต็มบึงใหญ่ก็เต็มฝนยังตกไม่อยู่ยังตกอยู่ไม่หยุดบึงใหญ่เต็มแม่น้ําน้อยก็เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ําใหญ่ก็เต็มแม่น้ําใหญ่เต็มมาหาสมุทรก็เต็มได้เนะช่นเดียวกัน อ, อย่างเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์ที่มีน้ํามากๆเนี่ย ถ้าคุณลองไปวัดดูปริมาณน้ําที่ตกหน้าเขื่อนเนี่ยตรงสารเขื่อนเนี่ยมันไม่ได้มากอะไรมากนะมันเป็นตกนูน่บนบนภูเขาบนปา่านู่นนี่แล้วมันก็ไหลามาตอนนั้นเองอย่เช่นเดียวกันเวลาเราทำอะ่ะ เ, เราไม่ได้ว่าจะต้องเจาะจงทําอันนี้อันนั้นอันโ น, น้นหรือว่าวันนี้ฉันนั่งสมาธิไปแล้ว10บนาทีพรุ่งนี้เอาอีกยีนาทีวันต่อไปปีนี้ต้องให้ได้เท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงอย่างเงี้ย มันก็อยู่ที่ว่าเราเก็บตรงนั้น <S <S <ๆ>เก็บตรง น, น, รงนี้คุณรอรถเมย์คุณทําได้ไหมคุณรอประชุมคุณทําได้ไหมคุณรถติดอยู่คุณทำํทำก็ทําได้นะเก็บตรงนั้นเก็บตรงนี้ก็คือเหมือนกับฝนเนี่ยตกทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดเนี่ยเดี๋ยวมหาสมุนก็เต็มขึ้นมาเราก็ทําไปทําไปทําไป เ, เดี๋ยวโพชงทั้งเจ็ดก็เกิดโพชงเจ็ดเกิดวิมุตต์ก็เกิดได้เฮ่ <S <S <ๆ>อืไม่ได้ยากอย่างที่คุณโยมติ ว, ว่านะนะแต่มันไม่ได้ง่ายนะอะถ้าถ้ามาจะบอกว่าโอ้ ง, ง่ายมากก็จะพูด ค้านกับรู่ช้านิดนึงแต่ถ้าเราบอกว่ามันยากมากเป็นไปไม่ได้เราก็พูดไม่ถูกอีกนะเพราะฉะนั้นก็คือท่างฟังต้องอต้องพยายามเนาะแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมชาติน ะ, ะเป็นธรรมชาติไม่ได้ต้องไปกะเกณฑ์อะไรมากมายอย่างอย่างนั้นน ะ, ะ แ, ตแต่ด้วยความเป็นสมมาสมุทธะเนียออกไมคุณชมติวแม่มันต้องเนียบแสดงธรรมะมันต้องเจ๋งมันต้องลึกซึ้งละเอียดมีนอกในอย่างนี้นะมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะ ค่ะก็จะได้ทราบกันนะคะว่าเราก่าเกมไม่ได้แต่<ช>เราสามารถที่จะสร้างเหตุที่ถูกต้องได้ถูกหนได้นะคะด้วยการเจริญอนาปนานสติเป็นต้นเนี่ยนะคะ อ, อย่างที่เราได้พยายามให้ท่านได้ร่วมกันปฏิบัติในช่วงเวลาเช้าของรายการ<ช>แล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติม อยู่เรื่อยๆทีนี้เท่ากับว่าอย่างนี้ไหมคะคือเหมือนพระพุทธองค์หรือไหมว่าทรงพบผลทาง น, นี้ก่อนแล้วก็ทรงทดลองในการปฏิบัติ ด, ด้วยกว่าจะมาถึงตรงนี้ดังนั้นท่านก็เลยตัดในสิ่งที่เป็นพุทธประสบการณ์ของพระพุทธองค์ไว้อืส่วนพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์คือเริ่มต้นทดลองตามวิธีการที่พระพุทธองค์สอนแล้วพระพุทธองค์ก็กล่าวยืนยันใช่ไหมคะ ว่าถ้าปฏิบัติตามที่ได้ทรงตรัสไว้ <ทำ S 2> ก็บรรลุผลนั่นะนะคะตรัสให่ที่สอ น, นอตรงนี้ที่พระเจ้าได้ตรัสอธิบายนี่คืออาการทางจิตเท่านั้นเองคุณชมถิว ค, คือจิตของพระเจ้าตอนนี้เป็นโริสัตว์อยู่จิตของเรามหาสาวกทั้งหลายเราว่านังทั้งหลายตอนที่ปฏิบัติอยู่จิตของประชชนจิตของค น, คนที่อยู่ในนรกอะไรต่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดเป็นจิตเดียวกัน เป็นลันกษณะจิตที่มีธรรมชาติที่บังฟัสสอนอยู่ เ, เป็นจิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบได้นะเป็นจิตที่แบบว่าลุกลี่ลุกลนก็มีอย่างเงี้ยพระพระเจ้าจึงอธิบายอาการของจิตตรงนี้ไว้หมดเลยนะด้วยประสบการณ์ของพระองค์ที่นี้จิตของใครมันก็เหมือนกันใช่ไหแต่สมมติจิตของคุณโยมติ๋วก็จะเหมือนจิตของท่านพุทฟังจิตเหมือนจิตของอาตมาเวลามีเวทนาเกิดขึ้นมันต้องมีตัณหามีภาษามันต้องมีเวทนาอย่างเงี้ยทีนี้นะ การกำหนดบทเพลงชนะของแต่ละคนอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันอ่าคุณท่านผู้ฟังก็บอกอย่างหนึ่งคุณยมติ๋วก็บอกอาการปีติอย่างหนึ่งอาดมาก็บอกอาการปิติเป็นอีกคําพูดหนึ่งอย่างเงี้ยน ะ, ะซึ่งแต่ละคนจะไม่มีมาตรฐานที่จะสอดคล้องกัน<ะ>ก็จึงต้องมีพระเจ้าเนี่ยมาเป็นผู้ที่บัญญัตินะกำหนด definition ความหมายอ่าบัญญัติแจกแจงทําให้ง่ายทําให้ตื้นนะคือมากําหนดมาตรฐานตรงนี้ในะหลายๆอย่างพระเจ้าก็บัญญัติขึ้นมา แต่หลายอย่างก็ใช้มาตรฐานที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็บริยาอาการของฉีดออกมาปุ๊บๆๆๆๆๆนัให้ปฏิบัติรรก็จะต้องมีลักษณะอย่างนี้ไหนเป็นมาตรฐานเดียวกันว่างั้นเถอะทำไมคนอื่นทำได้ไหมทำไมต้องเป็นบรูชาโกบรูชามีความสามารถตรงนี้นที่จะกําหนดเป็ชนะได้อย่างเงียบทีเดียวะนะคะก็ปฏิบัติต่อไปแล้วความรู้ที่ท่านเคยรู้มาแบบเป็นทฤษฎีที่พระพุทธรูปตัดไว้ก็จะได้ปรากฏให้ท่านได้ว่าอืมจริงนะ เป็นอย่างนี้แล้วแปลว่าตรงทางแล้วถ้ามาทางนี้อ<ช>ัคะนะคะเ น, นี่ยค่ะเป็นความตั้งใจของเราที่ไม่เพียงต้องการให้ท่านนั้นได้รู้แต่ต้องการให้นําไปสู่การปฏิบัติทั้ง น, นี้และทั้งนั้นพวกเราก็ไม่ได้อะไรนะคะก็คืออยากจะให้ท่านได้พบในธรรมวิเศษที่เราเชื่อในสิ่งที่พระพุธองได้ตรัสสอนแล้วท่านพิบูนเองท่านมากเองก็ ู่ในจุดที่ว่าเป็นพระภิกษุที่ทำหน้าที่นี้อย่างขันแข็งนะคะทั้งในเรื่องของการแสดงธรรมการมีโอกาสที่จะได้ดูแลผู้ที่ไปฝึกปฏิบัติวัปดปาอนหายสงนก็ทำติณประจำทุกเดือนเลยตรงนี้ที่คุณโยมติวบอกว่าอย่างตัวจะมาคุณโยมติวหรือท่านมาร์คหรือว่าเจ้าหน้าที่หลังใหม่ทั้งหลายแหละเนี่ยนะ <c oughs> ก็ได้นะคือหรืออย่างทางเจ้าของรายการเนี่ยก็ได้บุญนะคุณโยมติว <c oughs> คิดดูนะ อย่างท่านผู้ฟังเนี่ยเขาฟังไปเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเขาไปนั่งสมาธิหรือว่านอนสมาธิก็ตามเถอะแล้วก็ทําจิตไปตามอย่างที่บอกได้เนี่ยนะแล้ ว, ลวเกิดเกิดเขาปล่อยวางได้บรรลุปเป็นอริยบุคคล ข, ขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาโอ้ยเราทั้งกระบวนการจะได้บุญมากทีเดียวค่ะจี่ฉัขออภ<ม>ัยกันและกันนะคะพูดผิดไปนิดนึงต้องสารภาพว่าที่ทํารายการพวกนี้อยู่เนี่ยนะคะ ก็ด้วยความศรัทธาและเชื่อว่าเป็นทางแห่งบุญใช่ใช่อั น, นก็เชื่อว่ามีโอกาสทําอะไรตามความถนัดอและมีโอกาสก็ทําในสิ่งนั้นค่ะและ้วท่านผู้ฟังก็เหมือนกันคือหมายความว่าถ้าเราบอกต่อสิ่งดีๆกับคนอื่นเนี่ยเราก็เป็นสัตว์บุรุษยิ่งกว่าสัตว์บรุษธนะิคือตัวเราเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมแล้วเราบอกต่อความดีๆแบ่งปันความดีๆไป เ, เราเป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีไปอีกนะแล้วคนนั้นเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยอย่างเงี้ยนะค่ะ ค่ะท่านผู้ชคะแล้วก็วันนี้เพียงพอแก่ที่ท่านทั้งหลายจะนำมาใช้เรียกว่าทุกวันก็ว่าได้ไหมคะในการที่ได้พูดในรายการนี้นี่ถ้าทำกันจริงๆจิงๆฟังครั้งเดียวแลวทาถูกนะนะคะก็สามารถที่จะไปไกล<ช>ถึงที่ท่านปรารถนาได้แล้วก็การการปฏิบัติตรงนี้คุณโยมติ๋วมันก็หมายความว่าเราหวังผลได้เป็นขั้นๆนะนะ คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าจงสุดท้ายคุณบรรลุเป็นประหารขั้นเดียวจบม้วนเดียวจบไม่ใช่งงั้นนะระหว่างทางคุณได้ประโยชน์ไปตลอดน ะ, ะอย่างเช่นว่าสมมติเรารักษาศีลอย่างเงี้ยนะอันนี้ส่งที่คุณจะได้เลยคุณยังไม่ต้องเป็นพระอารหรือไม่ต้องเป็นส่วนรัฐานแรงทั้งสิ้นนะ่ะเอาแค่ว่าตอนนี้เรารักษาศีงก่อนเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้รับนี่คือเราจะมีความไม่ร้อนใจเราจะมีความสบายใจละนะลูกเมียครอบครัวการงานอะไรต่าง ม, มันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นเป็นผลพลอยได้อยู่แล้ว นอย่างคนที่ฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆเนี่ยนักเรียนอย่างเงี้ยหรือคุณครูอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผลการเรียนการเรียต่างมันก็ดีขึ้นนะค่ะก็เรียกว่าเป็นผลในปัจจุบันด้วยอนะคะใช่ทั้งในเรื่องที่โลกโลกที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เนี่ยหละค่ะมานวันสการขอบพระคุณท่านเพื่อนบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านผู้ฟังที่เรับค่ารายการนี้รายการสันสนีสมทนาคะแล้วก็ มีตัวตนเฉพาะสําหรั บ, บราการนี้ก็คือเราจะมุ่งเน้นเรื่องของการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุธองได้ตรัสเอาไวา้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะในชีวิตประจําวันของเราการที่จะไปนั่งต่างๆตั้งหน้าตัางตาสนทนากับใครในเรื่องเหล่านี้คงจะไม่ค่อยมีโอกาสสักเท่าไหร่ในชีวิตของการทํางานนะคะใช้ได้เน่สอดแทรกบ้างเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดิฉันมีความสุข ที่ได้ทำและเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความอิ่มใจด้วยเหมือนกันน ะ, นะคะก็ขอให้ได้ตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่พระาศาสดาพระพุทธเจ้าของเราได้สอนไว้แล้วพุ้ทวัต จ, จะนะทั้งหลายนั้นจะนําพาความสวัสดีสู่ชีวิตของท่านทุกคนใครที่อยากจะสืบทอดประเพณีถวายผ้ากรถินซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะคะ และก็ยังจะได้ทำบุญกับพระภิกษุที่ได้เมตต า, ามาให้ความรู้เราในวัดของท่านก็อย่างสองรูปนี้ก็มีวันอภิภพของพระมาชาคาวโรนะคะกระถินจะมีนที่4พีพฤศจิกายนส่วนวัดป่าดอนไฮโุดอนธานียท่านไปบู์จะมีที่11บพฤศจิกายนค่ะ รายละเอียดต่างๆท่านสามารถกอได้ที่เบอร์เดียวกับที่ท่านจะโทรมาขอหนังสือพุทธจชนะที่นี่เพราะที่ฉันได้ฝากเอาไว้นะคะก็คือที่0226900006ก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยให้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการทำกุศลนี้เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้พุทธวสวัสดีคะ่ะ